เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมสมัยที่ผมไปเรียนที่เชียงใหม่ผมเรียนอยู่ไทยวิจิตรศิลป์ช่วงปีหนึ่งทุกๆวันผมกับเพื่อนๆมักจะหากิจกรรมอะไรทำกันหลังเลิกเรียนเสมอวันนั้นเราก็เลิกเรียนกันตามปกติประมาณบ่ายสามมงครึ่งผมเล่นบาสเกตบอลอยู่สักพักเพื่อนผมคนหนึ่งไอ้แจ็คก็ชวนผมไปตีปิงปองต่อที่บ้านมันผมกับเพื่อนอีกสองคน ก็เลยขีย่รถไปบ้านไอ้แจ็ค ก, กันไปกันทั้งหมด4ี่คนมอตเตอร์ไซค์3คันโดยผมก็ไปแจกขี่กันคนละคันส่วนไอ้แตงซ้อนท้ายไอ้กลมก่อนจะไปบ้านไอ้แจ็คผมก็ขี่รถแวะไปบ้านไอ้แตงกันก่อนเพราะเป็นทางผ่านพอดีไอ้แตงเอาของเข้าไปเก็บในบ้านแล้วก็ขออนุญาตพ่อมันไปบ้านไอ้แจ็คซึ่งพ่อมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จู่ๆพ่อมันก็ทักผมขึ้นมาว่า ไอชุเองเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะผมก็ทำหน้างงๆพ่อไอแตงก็ทักต่อว่าช่วงนี้เองดูงไม่ค่อยดีทำอะไรก็ระวังระวังหน่อยละ่ะต้องบอกก่อนว่าพ่อของไอแตงเนี่ยเป็นเหมือนสั ป, ปเหรอ่อมีหน้าที่ดูแลเรื่องงานศพของวัดและดูแลหลายๆอย่างในวัดน่าจะเป็นคนมีของอยู่บ้าง แถมยังดูดวงแม่นมากอีกด้วยพอผมได้ยินที่พ่อไอแตงพูดผมก็ได้แต่ตอบครับแล้วก็ขี่รถออกมาโดยไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนมาถึงบ้านไอ้แจ็คเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเชียงใหม่อยู่แถวแถวหางดงแต่ไปทางบ้านมันบอกได้คำเดียวว่าเปรี่ยวมากมีแต่ต้นหญ้าสูงต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดไฟทางก็ไม่มีมืดสนิท ทางบางช่วงก็ขาดเป็นหินลูกรังซึ่งผมก็สังเกตเห็นโรงงานเก่าๆอยู่ข้างทางดูดูแล้วนะ่าจะเป็นโรงสีเก่าที่ถูกทิ้งร้างไว้เห็นแล้วชวนขนหัวลูกมากหมู่บ้านนี้จะแยกเป็นสองฝั่งซ้ายขวามีซีแยกอยู่ตรงกลางพวกผมมาถึงบ้านไอ้แจ็คประมาณเกือบห้าโมงเย็นได้ก็เล่นปิงปองกันตามประสาจนเวลาล่วงเลยมาเกือบสี่ทุ่ม ผมก็เลยขอตัวกลับกันขากลับเรากลับกันมาสองคันผมขี่คนเดียวกับอีกคันเหมือนเดิมคือไอ้กลมกับไอ้แตงระหว่างที่ขี่รถกลับพวกเราก็คุยกันเล่นไปตลอดทางเมื่อขี่มาได้สักพักจนถึงช่วงสี่แยกของหมู่บ้านผมก็ให้เพื่อนผมขี่นําไปก่อนพอถึงสี่แยกผมก็มองดูซ้ายขวาข้างทางมือสนิทแทบมองไม่เห็นอะไรเลย นอกจากไฟจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไปลิบๆจงังหวะที่ผมขี่ผ่านซีแยกไปนั้นจู่ๆผมก็ได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนอะไรตายหรืออะไรเน่าๆแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่นานผมก็รู้สึกเย็นวาบที่กลางแผ่นหลังเหมือนใครเอาน้ำแข็งเย็นๆมาลูกที่กลางหลังมันทำให้ผมขนลุกสู้แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ รถมอเตอร์ไซค์ของผมย่อลงเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับอยู่ที่ด้านหลังผมตกใจและเพ้ออุทานออกมาเสียงดัง <Here! S 1> เพื่อนผมสองคนที่ขี่รถนำหน้าไปก็หันมาถามเป็นอะไรวะมึงผมก็ตะโกนกลับไปว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรพวกมันก็เลยขี่รถต่อไปแต่ในใจผมคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆผมรู้สึกเหมือนกับว่า มีใครมาซ้อนท้ายผมอยู่ผมพยายามกลั้นใจหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผมรู้สึกกล่งใจอย่างมากจากนั้นเร่งเครื่องไปตีคู่คุยกับเพื่อนๆต่อระหว่างที่ผมคุยกับไอ้กลมไอ้แตงที่นั่งซ้อนอยู่ก็หันมามองทางผมแล้วก็ทำท่าแปลกๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างผมถามไอ้แตงเฮ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรมีอะไร มันก็เอาแต่หันหน้าหนีไม่ยอมตอบคำถามผมและสะกิดไอ้กลมให้รีบเรียบขี่แซงผมไปไวๆผมก็งงว่ามันเป็นอะไรผมขี่ตามพวกมันมาได้สักพักความมืดตลอดข้างทางและความเย็นเยีเยือกรอบตัวทำให้ผมรู้สึกแปลกๆอีกครั้งผมรู้สึกหนักที่หัวไหล่ขวาผมหันมองหัวไหล่ตัวเองเอามือลูบๆบีบๆมันก็ไม่มีอะไรนี่วาแต่จู่ๆ หูผมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมขนลุกสุดๆเป็นเสียงเหมือนคนกัดฟันผมผวาามากๆจะจอดรถก็ไม่กลา้ามันเป็นเสียงที่สยองที่สุดในชีวิตของผมที่เคยได้ยินมาผมรีบเร่งเครื่องไปหาเพื่อนๆทันทีแต่คราวนี้ไอ้กรมที่เป็นคนขี่มันหันมามองผม แล้วทำหน้าตกใจสุดขีดก่อนจะรีบเร่งเครื่องทิ้งห่างนีผมไปยิ่งกว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียมันทำให้ผมรู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นสิบเท่าผมจึงเร่งเครื่องตามมันไปตลอดทางมืดมากแทบไม่มีแสงสว่างเลยพวกเราเร่งเครื่องกันมาจนถึงทางขาดที่เป็นโรงสีร้างที่ผ่านมาในทีแรกบรรยากาศตอนนั้นมันอึมครึมวังเวงน่ากลัวมาก ผมเลือบหันไปมองโรงสีร้างที่มืดสนิทมีเพียงเงาหลางๆให้พอรู้โครงร่างของโรงสีแล้วตอนนั้นเองหลังผมก็เย็ยนบูดเหมือนถูกน้ำแข็งมาลูบอีกครั้งจนผมขนลุกสู้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือรถผมมันเด้งยกขึ้นเหมือนอะไรหนักๆที่เคยทับอยู่มันหายไปรถที่วิ่งอ่ดๆมาตลอดทางจู่ๆมันก็เร่งห้องตัวขึ้นผมทั้งแปลกใจ และกลัวยังบอกไม่ถูกพวกเราขี่มาจนถึงถนนใหญ่เริ่มมีไฟสว่างผมขี่ไปหาเพื่อนๆผมอีกครั้งมันสองคนค่อยๆหันมามองผมค่อยๆมองช้าๆแล้วถอนหายใจยผมถามตกลงมึงเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยไอ้แตงบอกมึงไปบ้านกูก่อนเดี๋ยวกูค่อยเล่าให้ฟังจากนั้นก็ขี่รถกันมาจนถึงบ้านไอ้แตง เราก็มายืนคุยกันตรงหน้าบ้านผมก็ถามมันว่าตกลงมึงเป็นอะไรกันทำไมตอนมองกูมิกิต้องทำหน้าตกใจได้ววะแล้วมึงจะบิดหนีไปหาพ่อมึงเหรอไอ้แตงมันบอกผมว่า<ม>ก็กูเห็นผู้ชายอายุราวๆหกสิบผมขาวใส่เสื้อขาดขาดเปื้อนๆไม่รู้ว่าเปื้อนอะไรแต่คล้ายๆลอยเลือดแม่งนั่งซ้อนท้ายมึงอยู่ผมได้ฟังนี่ถึงกับเขาอ่อนเลยทันที มันเหมือนกับที่ผมรู้สึกในตอนนั้นทั้งๆ ท, ที่ผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้พวกมันฟังเลยผมก็เลยถามไอ้กลมบ้างว่าและ แ, แล้วมึงละ่ะเห็นด้วยหรือเปล่าไอ้กลมบอกว่าตอนแรกกูก็ไม่เห็นหรอกนะไม่เห็นอีกทีอะ่ะหลังจากที่ไอ้แตงมันกระซิบบอกกูแล้วเนี่ยกูนี่แทบช็อกเลยถึงบิดหนีมึ ง, ม ง, งว่าไงจังหวะนั้นบอกเลยครับว่าทั้งกลัวทั้งอึง ทำอะไรไม่ถูกแต่ในใจก็พยายามคิดว่าพวกมันรวมหัวกันหลอกเราหรือเปล่าเลยบอกไปว่าพวกมึงอํำกลัวดิไอ้แตงมันมองหน้าผมพร้อมกับมีน้ำตาคลอเบาและบอกผมว่าอํำเฮียอะไรกูกลัวแทบตายกูกลัวมันจะทำอะไรมึงด้วยแล้วผมก็ถามพวกมันอีกด้วยความสงสัยในอะไรบางอย่างเออ แล้วที่พวกมึงเห็นกันน่ะเขานั่งเอามือจับไหล่กูอยู่หรือเปล่าวะมันสองคนตอบมาพร้อมกันเลยว่าเปล่าผมก็เลยเล่าให้มันฟังว่าระหว่างทางผมรู้สึกอะไรยังไงบ้างพอไอ้แตงฟังจบมันก็พูดสวนขึ้นมาเลยว่าที่มึงรู้สึกหนักไหลนะ่น่ะเขาไม่ได้จับไหล่มึงหรอกแต่เขาเอาคางเกยไหล่มึงอยู่ต่างหาก มึงถึงได้ยินเสียงเขากัดฟันอยู่ข้างๆหูมึงไงไอ้เชีย่ยผมนึกตามแล้วมันโคตรหลอนจริงๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เห็นเองก็เถอะผมยืนอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกจนกระทั่งพ่อของไอ้แตงออกมาแล้วบอกผมว่ามีคนเขาฝากมาบอกขอบใจเองน่ะผมกับเพื่อนก็งงกันไปใหญ่ผมเลยถามไปว่าใครครับพ่อแกก็บอกว่าก็คนที่ซ้อนท้ายเองมาเมื่อกี้ไงล่ะ แล้วพ่อยอแตงก็เล่าอะไรให้พวกเราฟังว่าเมื่อนาน ม, มาแล้วลุงคนนั้นระวังที่แกกาลังเดินทางเพื่อจะไปทำงานที่ลงสีนันแกโดนโจรดักปล้นและถูกฆ่าปาดคอชิงสร้อยทองไปจากนั้นมาแกก็พยายามจะกลับไปลงสีนั้นให้ได้แต่ก็ไปไม่ได้สิทีไปยืนขวางรถบ้างไปโบกรถคนอื่นบ้างทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายตัวหลายครั้งจนมาถึงคืนนี้ ไปกับเองจนได้นี่แหละผมคิดในใจนี่คือกูโชคดีใช่ไหมเนี่ยกูควรจะดีใจมะพ่อไอแตงยังบอกผมอีกว่าช่วงนี้ผมดวงตกแต่ก็ยังดีที่ได้พาลุงคนนั้นไปส่งไม่งั้นอาจจะมีเคราะห์ร้ายแรงกว่านี้ <c oughs> ก็เป็นได้หลังจากนั้นพ่อไอ้แตงก็สวดมนต์เป่ากระหม่อมให้ผม <c oughs> บอกพวกนี้ให้ผมไปใส่บาตรด้วยไม่ต้องกลัวอะไร เขาไม่ได้ตามมาวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายๆหลังจากผมไปทำบุญเสร็จผมจำเป็นต้องไปบ้านไอ้แจ็คอีกครั้งพอขี่มาถึงตรงทางขาดที่เป็นลุกรังตรงโรงสีร้างนั่นเมื่อผมมองไปผมกลับไม่เห็นโรงสีร้างนั่นแล้วผมถามไอ้แจ็คว่าเฮ้ยโรงสีร้างนั่นไปไหนแล้ววะไอ้แจ็คมันตอบผมด้วยสีหน้าแปลกใจว่าโรงสีร้างอะไรของมึง มันไม่มีมาหลายปีแล้วสมพัสเสิ่ย